เาทันความเกิดดับของขันห้าขั้นที่สองของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมเมื่อปราศจากตัวการทำให้ขาดสติสติย่อมเจริญขึ้นจนเหมือนรู้สึกตัวอยู่เสมอถึงจุดนั้นแม้โมหะยังกลับมาปกคลุมจิตได้ เราก็จะไม่ถูกหลอกให้หลงได้สนิทเหมือนเดิมอีกแล้วมุมมองใหม่ๆจะเกิดขึ้นเช่นเห็นว่าขณะแห่งการมีโมหะปกคลุมจิตจะเกิดมโนภาพอย่างหนึ่งขึ้นในใจมโนภาพนั้นให้ความรู้สึกว่ามีตัวเราและเป็นอะไรอย่างหนึ่งกายเป็นฐานสาคัญของมโนภาพบุคคลเพราะมันผูกใจให้ยึดว่ามีตัวเรา เราเป็นชายเราเป็นหญิงเราเป็นคนรูปงามเราเป็นคนขี้เรเราเป็นคนเสียงดีเราเป็นคนเสียงแย่เป็นต้นอย่างไรก็ตามความรู้สึกทางใจจะเป็นตัวการปรุงแต่งมโนภาพให้แตกต่างไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้ากายเป็นชายบึกบึนล่อมสันแต่ใจมีความกลับกรอกโลเลเกียจคร้าน มุ่งทำสิ่งใดไม่ค่อยสำเร็จก็จะเกิดมโนภาพของคนอ่อนแอเป็นหลักซึ่งขัดแย้งกับมโนภาพของความเป็นชายผู้บึกบืนล่าสันอย่างยิ่งต่อเมื่อฝึกตนไม่กลับไปกลับมาพูดแล้วทาตามที่พูดขยันขันแข็งก็จะค่อยๆประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆมโนภาพของคนแข็งแรงก็จะเกิดขึ้น และเสมอ ก, กันกับมโนภาพของชายผู้มีกายบึกบึนในที่สุดก็กลายเป็นความกลมกลืนไม่รู้สึกขัดแย้งกับตัวเองอีกต่อไปที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นว่าความจริงมโนภาพแทนตัวตนของแต่ละคนนั้นเป็นกระบวนการปรุงแต่งที่ซับซ้อนเข้าใจยากแต่หากเห็นต้นต่อของการปรุงแต่งเป็นขณะขณะ ทุกอย่างก็จะปรากฏเป็นของตื้นลงการมีสติเห็นกายใจตามจริงว่าไม่ใช่บุคคลจะทำให้มโนภาพความเป็นอะไรๆหายไปชั่วขณะซึ่งเราทุกคนจะเข้าสู่ภาวะสรุปเดียวกันคือกายใจหลอกให้นึกว่าเราเป็นอย่างที่กายใจเป็นจนกว่าจะเห็นเป็นขณะขณะว่ากายใจเปลี่ยนแปลไปเรื่อยๆ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 เพราะเราจะจำแนกกายใจได้ไม่เกินห้าขันด้วยการเห็นเป็นขณะขณะว่า 1. อย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปรูปในที่นี้หมายถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันประชุมขึ้นเป็นกาย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 ผู้ร้อนรุ่มกลุ่มใจต่อเมื่อฝึกรู้จนเห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ใช่บุคคลมนโนภาพบุคคลผู้เป็นทุกข์เป็นสุขก็หายไปเห็นเพียงว่าถ้ากายระงับไม่กวัดแกงและไม่กำเกรงก็จะเกิดความสุขทางกายถ้าใจสงบรู้และเปิดกว้างก็จะเกิดความสุขทางใจ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 เวทนามันสุขเวทนามันทุกข์เวทนามันเฉยเช่นนี้นับเป็นการเห็นเวทนาเกิดดับแล้ว 3. อย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญา สัญญาคือความจำได้หรือความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นตาเห็นรูปแล้วจำได้ว่าสีเขียวหรือสีแดงคนทั่วไปจะเห็นสัญญาเกิดขึ้นชัดต่อเมื่อพยายามเข็นนึกชื่อคนหรือชื่อสถานที่เมื่อนึกชื่อออกก็จะเกิดมโนภาพบุคคลผู้นึกออกอันที่จริงสัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลา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 เช่นนี้มโนภาพบุคคลผู้นึกออกจำได้จะหายไปเห็นแต่ว่าสัญญามันจำได้ไม่ใช่ตัวเราจำได้ผุดขึ้นแล้วหายวับไปนี่เรียกว่าเป็นการเห็นสัญญาเกิดดับแล้ว 4. อย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร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 พอฝึกเห็นว่าสังขารไม่ใช่บุคคลเป็นพิมพ์ปฏิกิริยาทางใจที่โต้อตอบกับสิ่งกระทบมนโนภาพของนักบุญหรือคนบาปก็จะหายไปเห็นแต่ว่าคิดดีเพราะปัญญาเป็นผู้คิดไม่ใช่เราคิดและเมื่อคิดร้ายก็เพราะกิเลสมันคิดไม่ใช่เราคิดเช่นกันคิดดีกับคิดร้ายอาจแข่งกันเกิดดับสลับกันภายในนาทีเดียว เหมือนมีสองคนสู้กันอยู่ถ้าเห็นเช่นนี้ก็นับเป็นการเห็นสังขารเกิดดับแล้ว 5. อย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณคือความรับรู้ที่เกิดขึ้นตามประสาทสัมผัสรวมทั้งมโนสัมผัสคือรู้ว่ากำลังเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้ลิมรสด้วยลิ้นได้แตะวัตถุด้วยกายได้ทราบด้วยใจคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีเราเห็นมีเราได้ยินมีเราได้กลิ่นมีเราลิ้มมีเราแตะต้องมีเราเป็นผู้ทราบเสมอ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 ไม่ใช่เราแต่ต้องกับทั้งรู้ว่าใจมันทราบไม่ใช่ตัวเราทราบถ้ารู้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการเห็นวิญญาณเกิดดับแล้วเมื่อถอดแยกที่ตั้งของอุปาทานในตัวตนออกหมดตัวตน ย่อมปรากฏเป็นของกลวงของว่างเปล่าของที่ไม่มีประดุดพื้นที่ยืนทะลุหายและไม่เหลือสิ่งใดเป็นที่พึ่งของตัวตนได้อีกนั่นแหละคือสาระสูงสุดของการฝึกเท่าทันการเกิดดับของขันห้า้นนนนนาาาชไววผ่ั นาำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกล่อนในตัวตนเมืดมนทนเนดเหนื่อยยากย็นด้วยแรงพยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพัาพิงแอบเร่ ดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลับตาใจว่ามีรู้สิ้นแปลแปลกพันธินทางสุดช้าเร็วตามกันทิ่ถูกปันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดินดลในฉากใหม่ต่อไปรอคอ